เพราะคำถามนี้เป็นอนุกรมต่อหนึ่งพันกันไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะจําต้นเหตุจับต้นเหตุไม่ได้ก็ขยายตัวออกไปก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่คนไหนคนึงจับต้นเหตุได้ก็อกเอามากําลังอมากันถามว่าพ่อเหตุอะไรจึงเพลินใช่ไหมเพราะเห่อกับเพลินเดียวกันหรือคนอืน พอมีคําว่าเผลอเกิดขึ้นถามว่าเผลอกับเพลินเป็นอันเดียวกันหรือคนอันเพลิน <c oughs> มาก่อนเพลินเมื่อกี้ฟังวาเผลอถ้าทําให้เพลินแสดงว่าเผลอมาก่อนเพลินอ้าวเฉลยได้ยังก่อนที่จะเลยเดยวมเราพินจะเอาได้ไหมไม่เพิ่มและเ <c oughs> พราะทําถามทวนคําถามว่า เราจะเดินสติสัมปชัญญะอยู่แต่เพราะเห็นไรนิวรณ์จึงเกิดใช่ไหมฮะก็นั่นแหลมันก็อันเดียวกันนั่นแหละพอนิวณ์ก็คือคิดก็คือนิวรณ์นั่นแหละเออก็นั่นเขคิดก็ถามว่านิวณ์มันรวมทึกตัวคิดตัวง่วงตัวเบื่อตัวขี้เกียจตัวสงสัยนั่นแหละเออตัวใดก็ได้ที่ยกขึ้นมาแต่ถามว่าทำไมพวกนี้มันจึงเกิดก็บอกว่า ทั้งทงี่เราตั้งสติสัมย่อยูมมมมอยอ่มันถึงไม่ไนะ <laughs> ไ ม, ไมันถึงไม่อยู่ล่ะก็มันต้อมีเป็นภาษาไ่เป็นภาษานั่นไม่อะไรมันถึงไม่อยู่ใช่ไหมถึงมีแบบตอบตอบนะใครจะใครจะตอบใครจะตอบต่อมไหมถ้าไม่ตอบก็จะเฉลยมีใครจะต้องการจะตอบมหมยมุ่งย ม, ยมจุม่มจะตอบหม <ยา S 1> แคบ <ยา S 1> แคบเข้ามาเฉลยข้อนี้ตอบยังไงก็ไม่ถูกอะ่ะเพราะอะไรเพราะสติ มันทำเป็นธรรมชาติเกิดและดับก็ตกมาตายอะไรอย่างนี้นจะให้มันเกิดตลอดไม่ได้มันก็ต้องดับบ้างและธรรมชาติของมันนะไอ้ช่วงที่มันดับเราไม่รู้นิวรณ์มาถึงเกิดนีไ่ไงถ้าเราไปรู้การดับของมันนิวรณ์ก็จะไม่เกิดแต่เราไม่รู้การดับของสติ ถ้าเราตามรู้การดับของมันด้วยเนี่ยนิวรณก็จะไม่เกิดเรารู้แต่เกิดแต่ว่ามันไม่ยอมรับดับของมันมันก็ต้องดับนะเหมือนกับเราในต้องการที่จะไม่ตายแต่มันก็ต้องตายไม่เีใครอยากตายแต่ก็ต้องตาย <laughs> ไม่มีใครอยากเผลอแต่ก็ต้องเผลอเพราะเป็นธรรมชาติที่ต้องดับเข้า <laughs> ใจไหมอืมนี่คืออ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะไป น้อยใจอย่าไปเสียใจอย่าไปท้อใจว่าทำไมทันตั้งใจแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อรู้ว่าอ๋อสติมันก็เกิดดับเม่เราจะให้สติมันตั้งอยู่ไม่ได้แต่เราต้องตามรู้การเกิดดับของสติด้วยการเข้าไปตามรู้การเกิดดับของสตินี้เรียกว่าอะไรอ่าข้อนี้ก็สาคัญเออเอาหนึ่งแล้วตอบความรู้สึก การเกิดดับของสติเราจะเข้าไปรู้การเกิดดับสติเอาอะไรไปรู้การเกิดดับของสติถ้ารู้เท่าทันการเกิดดับของสติก็หมายความว่าสติเราก็จะไม่ขาดถึงแม้สติจะดับก็ตามเพราะมีตัวรู้การเกิดดับของสติอีกทีหนึ่งถามว่าตัวอะไรที่ไปรู้การเกิดดับของสติการเข้าไปเกิดดับตัวเกิดเขเรียกว่า สัมปชัญญะหรือปัญญาหรือความรู้สิกตัวทั่วครองก็ได้เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเข้าไปรู้ว่าสติต้องเกิดดับนะเพราะนั้นเวลามันเผลอมันเพลินไปฉันก็มีหน้าที่ตามรู้มันเท่านั้นเองแต่ฉันไม่มีหน้าที่ไปห้ามว่าไม่ให้มันเผลอหรือไม่ให้มันเพลินมันต้องเผลอต้องเพลินแต่เมื่อเผลอเพลินเกิดขึ้นก็จะรู้มันพราะรู้มันปักมันก็จะรู้ทันการดับของสติ แล้วก็สติก็เกิดขึ้นใหม่พราะเรารู้รู้ทันมันใช่ไหมแ้วพอรู้ทันมันเพราะก็สติก็เกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็ตามรู้ต่อไปใหม่เดี๋ยวสักพักมันก็ดับแล้วก็พลังตามรู้มันใหม่อย่างนี้เรื่อยไปคือตั้งเผอไปแล้วรู้ว่าเผอเแล้วก็ตั้งสติให ม, ม่เห็นวันนี้เขาเรียกว่าการเกิดตัวสติมันกลายเป็นปัญญาเปลี่ยนเป็นสมาธิและปัญญาก็รู้ เพรา ะ, ะเมื่อมันเป็นเวทีพัญญานั้นมันก็สติมันก็เติบโตแล้วสติเติบโตขึ้นเรีรู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่แคร์ว่าสติมันจะเกิดหรือจะดับเรามีหน้าที่ตามรู้นไปเรื่อยๆเพราะว่าวทีน่าคือเกี่ยวข้องกับว่ามันเกิดดับแล้วทีนี้ตัวสัมปชัญะมันไม่เข้มแข็งหรือตามรู้ไม่ทันไง นั่นแหละมีตัวสม ญ, ญาและปัญญาขึ้นมารองรับเนี่ยแม้สติมีการเกิดดับก็ยังทันรู้อยู่แต่ของมิชีนาที่ว่านี้มีสติแต่สม ญ, ญาปัญญาไม่เข้มแข็งมันก็วิบไปเลยเพราะสติก็เป็นอนัตตา <laughs> สติมันเป็นอนัตตาอยู่เ <laughs> ขาพัญชาไม่ได้มันเกิดแล้วก็ทองดับ คำถามชุดนี้ผ่านไปเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็เอาไปพิจรารณาถือว่ามีพื้นฐานในระดับนี้แล้วนะฟังกันรู้เรื่องนะไม่สับสนนะทีนี้เป็นคำถามชุดที่จะต้องไปทำต่อในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะถือว่าพวกเรามีพื้นฐานกันทุกคนแล้ว ที่นี่ไม่มีคนใหม่เลยนะมีแต่คนเก่าใช่ไหมมีคนเดียเคยผ่านมายมอิวจะเข้าด้วยหรืวเป่าถือว่าคนใหม่จะได้สอบอารมณ์ใหม่ยมอิวประดิษฐ์ใครจะเข้าสองคนเลยหรือว่ามาบําเพ็ญบารมีก่อนยังไม่เข้ามาบำเพ็ญบารมียมเอกยมอะไรแฟนคนไหนจะเข้าก่อน ใหเลือกสี่คนอะคนไหจะเข้าก่อนแบงไอ้ไน่ต้อเอาพ่อเข้าก่อนเลือแม่เข้าก่อนช่วยตัดสินหน่อย <c oughs> หรือเอาหลวงหลุงมาเข้าก่อนก็ได้ว่ามาเป็นตัวประกันกนอนหลวงหลุงอยู่ที่วัดอะไปเอามาไม่พาหลวงหลุงเถียนมาได้นะีวันนี้มีพระลุกหนึ่งมาขอปฏิบัติในพรรษานี้ จบปฎิญาอีโทแล้วอยาก่าพักปฏิบัติก่อนก่อนที่ไปทปาไําบรรยายอีกเนอะถ้าผมเนี่ผมรู้ว่าผมทุกข์ลงผมก็เลิกเรียนแล้วเนี่ยไมงันผมไม่ได้ทําฎิยาโทรอีกต่อแล้วอันนี้คุณยังอยากจะทุกข์ต่อไปมาเปิดเบีอนเพื่อย่าเพิ่มทุกข์ต่อไปอีกมาก็เลบอกว่าเอานี้ตอนนี้ยังไม่รับว่าเข้าบรรสาไม่เข้าบรรษาคอ ต, ต่อไปเนี่ยต้องไปทดสอบ ก, ก่อนเจ็ดวันก่อนเข้าพรรษาถ้าผ่านก็จะให้มาเข้าด้วยถ้าไม่ผ่านก็ไม่เล่า นัดไปเข้าที่ครุ้สติวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบเจ็ดนะจบมหาจุฬาจุบยาโทรจะทำาย่างอีกต่อพักปฏิบัติครับมาก็บอกคอส น, นี่กำลังเข้าอยู่นะต้องก่อนต่อเลยไหมเออยังไม่พร้อมอไปคอสหนาก็แล้วกันก็มีพระที่เขาเรียนปริญญาสูงสูงเขาก็อยากจะเขาก็รู้ในวงการปัจจุบันคนสนใจอะไรสนใจปฏิบัติ เขาไม่ไสนใจปิยัดเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาไปเรียนปริยัดเรียนบาลีเรียนนักธรรมแข่งกับพระพระจะมีเหลืออะไรทําให้ปฏิบัติเพราะชาวบ้านเขาเรียนเก่งกว่าอีกมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีเรียนจบได้ประโยคหกเป็นมหาประโยคหกเรียนเก่งกว่าพระอีกทีนี้เดี๋ยวนี้ในระดับการเรียนศรานี่โยมเขาไปไกลกว่าพร ะ, พ ร, ะรู้ทั้งโลกทั้งธรรมแต่พระก็ได้ทางเดียวทําให้ปฏิบัติแล้วก็พระก็หมดหมดสภาพออกมา ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ทันเขาอ่ะนั้นก็เลยว่าให้ลองมาต้องดูก่อนสักเจ็ดวันถ้าเข้าท่าก็จะรับเขาเ้าพรรษาถ้าไม่เข้าท่าก็ไม่รับลองดูนะก็พระมาจากจังหวัดตากลู่มหนึ่งมาจากปักใต้ลุ่มหนึ่งมางานนี้เข้าเกี่ยวอารมณ์สี่ลูกผ้าเราสองลูกเราพ้าที่มาสองลูก ว่าพระที่ใหม่อีกสองรูปที่เข้าอยู่ตอนนี้ก็เลยค่อยเข้าปฏิบัติดูก่อนถ้าสมมุติว่าปฏิบัติอ่าคอดนี่ได้อารมณ์ดีก็จะรับเข้าพรรษาถ้าไม่ได้อารมณ์ก็ไม่รับเข้าอันะเข้าก็เสียเวลามัได้อารมณ์วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปสอบอารมณ์โอเคนะอันนี้เป็นการผ่านอารมณ์เบื้องต้นทีนี้หลวงพ่อบอกว่าพรุ่งนี้จะต้อง พิจนาอารมณ์อะไรตอนนี้หมายความว่าตอนนี้รูปนามเข้าใจรูปนาม่าทุกคนแล้วนะทีนี้ต้องไปดูตัวหนึ่งตัวนามรูปเนี่ยนะนะตัวนามรูปเกิดขึ้นได้เพราะอะไร เรารู้รูปนามว่าเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะเรามีการมีสติสัมปชัญญะความรู้สึตัวโทษควอมการตามรู้กายและเวทนาได้รู้รูปนามที่นี่นามรูปเนี่ยพอจะตอบใครใครตอบได้เลยก็จะผ่านไปสู่อารมณ์ตัวต่อไปได้เลยนะถ้าไม่มีใครตอบได้เลยก็จะเป็นอารมณ์ที่จะเข้าปฏิบัติ ในคอดนี้ในวันพรุ่งนี้เอาเป็นวันวันไปแต่สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยตื่นเช้าหรือคืนนี้ไปพิจารณาได้เลยว่าตัวนามรูปเนี่ยเกิดจากอะไรตอนนี้เป็นเรื่องเดาเท่านั้นนะยังไม่เป็นยังไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องลองลองแต่อันนี้เป็นคาตอบของเรื่องรูปนามไม่ใช่คำตอบของนามรูปนะฮะหรือหรือเพลินนี่นะพเพราะเพลินตัวรูปนาม ก็ไ ม, ไม่ไม่ชัดแต่ว่าตัวเมื่อไม่เผอไม่เพินตัวรูปน้ําก็ปรากฏชัดในคําตอบเดียวกันเนี่ยในคําตอบเดียวกันว่าเผอและเพินเป็นสาเหตุที้เกิดทั้งรูปนํามและนารูปอย่างนั้นหรือเปล่าในหลักเขาบอกว่าเพราะไม่รู้จึงเผอปุงแต่งเพราะเผอปุงแต่งจึง ปลาเรื่องราวจึงปรากฏเพราะฉะนั้นนามรูปเกิดจากการปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งเกิดจากการเผลอและเพลินถ้าเราใช้คําว่าเผลอและเพลินเนี่ยในขั้นรูปนามถูกต้องแต่ก่อนที่จะไปเป็นตัวรูปนามเนี่ยมันจะต้องปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องก่อนเรื่องว่าสังขารสังก่อสังขารก่อยคือวิญญาณวิญญาณก่อยเกิดนามมาลูป แล้วถามเราถามที่ไปที่มาของนามรูปนะมันจะต้องผ่านถือสามขั้นตอนหนึ 1, ่งเผยสองปรุงแต่งสามเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาแลวิญญาณแล้วปรากฏเป็นเรื่องขึ้นมาก็นามรูปยึงปรากฏเพราะนั้นคำตอบถ้าร้อยหนึ่งุจิก็จะได้ยี <laughs> ่สิบเอร์เซ็นีร อ่าถ้ารู้เท่าทันหรือรู้จักเท่าทันรูปนามรู้เท่าทันการปรุงแต่งก็จะรู้เท่าทันนามาูปเพราะนั้นจะไปทำข้อเพราะนั้นวันนี้จะรับผู้เนี้ยจะเอาข้อสอบนี้ไปทำก่อนหรือว่าจะเอาข้ออีกข้อหนึ่งข้อที่ว่ารูปนาม อะไรเป็นเหตุให้เกิดนามรูปใช่ไหมแต่ที่กุจิบอกว่าการเผอและเพลินก็ถูกในระดับหนึ่งแต่ถูกในระดับรูปนามรแต่นามรูปยังมันต้องข่านอีกสักสองขั้นตอนอวิชาก่อนสังขารสังขารก่อนวิญญาณวิ ญ, ญ, ญาณนามรูปใช่ไหมก่อนที่มันถึงนามรูปต้องผ่านสังขารและวิญญาณไม่ใช่ผ่านแต่อวิชาอย่างเดียวอวิชาก็แปลว่าเผอและเพลินใช่ไหม พอเผลอแ ล, ล้วเปิดมาถึงมีการปรุงแต่งเพราะการปรุงแต่งมันเกิดมีเรื่องเพราะมีเรื่องเกิดเกิดนา ม, มารูกเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์เอาเรื่องสองเรื่องเนะี่ยไปทบทวนก่อนได้ไหมพรุ่งนี้ก็มาตั้งค้อรับข้อสอบใหม่เออเมื่อวืนนี้พรุ่งนี้เอาเรื่องสองเรื่องไปทบทวนให้แจ่มแจ้งก่อนได้ไหมมารวมกันแก้แจ้งแล้วมาสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าผ่านก็หมายความว่าได้ข้อสอบวันรุ่งวันต่อ หรือจะพ่วงข้อสอบวันบุริลตต่อเลยสำหรับนักเรียนเอาสองข้อเลยข้อเดียวมันน้อยไปอย่างนี้หรือจะถ้าเป็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งก็คล้ายๆกันลองฟังดูไหมลองฟังดูว่านามรูปเนี่ยมีการเกิดการดับไหม นี่คือข้อสอบใหม่ของมะลืนนี้ถ้าจะใครจะตอบได้เอาไปตอบพวกนี้ก็ได้ถ้าตอบพวกนี้ก็รวบทั้งสองข้อเลยความชัดเจนข้อหนึ่งให้ให้ไปทบทวนความชัดเจนที่ไปที่มาของรูปนามและนามรูปน ะ, ะข้อที่สองที่พ่วงเข้าไปใหม่ก็คือการเกิดอาว่าหนึ่งรูปนามมีการเกิดดับไหมถ้ามี การเกิดดับของรูปนามเป็นลักษณะเช่นไรอันนี้ถ้าใครจะพ่วงก็พ่วงข้อนี้แต่ถ้าหากใครไม่พ่วงข้อนี้ตอบทั้งสองข้อเบื้องต้นก็พอก็ได้อันนี้คือสำหรับอารมณ์ผู้นี้นะชัดเจนไหมการเกิดดับของนามรูปมีถามว่ามีไหมมีมีแล้วลักษณะของมันเป็นเช่นไร เพราะฉะนั้นเอาไปข้อนี้เป็นข้อสอบลองเทสเฉยๆยังไว่ตัดสินใคร อ, อนนี้หมายความว่าจะส่งข้อสอบเลยใช่ไหมเผื่อถ้าถ้าตัวเราดูไปเรื่อยๆนี่ความนารูปตัวนี้ก็จะไม่เกิดใช่ไหม <c oughs> แต่ทาไมมันเกิดใหม่อีก <laughs> นั่นดิมันยังไม่รู้ลักษณะของมันใช่ไหมอ่า <c oughs> นั้นเอาไปพิจารณาก่อนก็ได้กันนะ <c oughs> ตกลงนะละพรุ่งนี้ก็ไปพิจารณาเรื่องการจิตสำรูปนามและนามรูปครั้งหนึ่งถ้าใครจะพ่วงก็ไปพ่วงดูว่าการเกิดดับของนามรูปเป็นลักษณะเช่นใดนะ ก็มาสอบประล์ข้อนี้ก็เย็นวันนี้ก็เป็นสมควรเก็บเวลาข อ, อน ม, มูธนาสาธุ